บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่สองในฌานเจริญวิปัสสนาหรือบรรลุมรรคผลได้หรือไม่มักมีผู้สงสัยว่าในฌาน จ, จะเจริญวิปัสสนาได้หรือไม่หรือว่าจะใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งใดๆได้หรือไม่ ผู้ที่กระใจว่าไม่ได้มักอ้างเรื่ององค์ฌานในปฐมฌานมีวิตกและวิจารพอจะคิดอะไรได้บ้างแต่ฌานสูงขึ้นไปมีอย่างมากก็เพียงปีติสุขและเอกคตาจะคิดจะพิจารณาอะไรได้อย่างไรความจริงองค์ฌานเป็นเพียงองค์ประกอบที่เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าภาวะจิตนั้นเป็นฌานหรือไม่และเป็นฌานขั้นใด ไม่ใช่หมายความว่าในฌานมีองค์ธรรมเพียงเท่านั้นอันที่จริงนั้นในฌานมีองค์ธรรมอื่นอีกมากมายดังที่ท่านบรรยายไว้ทั้งในพระสูตรและพระอพิธรรมชั้นเดิมเช่นในอนุปัฏฐสูตรมัชฌิมานิกายอุปริปันธากล่าวถึงฌานตั้งแต่ปฐมฌานถึงอากินจัญญาจตนะทุกชั้นล้วนมีองค์ธรรมเช่นฉั้นทะ อธิโมวิริยะสติอุเบกขามนสิการเป็นต้นในพระอภิธรรมบิดกธรรมสังคณีปรกรณ์แสดงองค์ธรรมทั้งหลายในฌานต่างๆทุกระดับโดยเฉพาะในฌานที่เป็นโลกุตระว่ามีทั้งอินรี่ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีองค์มรรคครบทั้งแปดมีสมถะและวิปัสสนาและองค์ธรรมอื่นอีกมากและในฌานต่างๆเหล่านั้น คำพีอัตสาลินีก็กล่าวว่าเป็นฌานอปปนาชั่วขณะจิตเดียวเห็นชัดว่าสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นได้โดยเป็นธรรมควบคู่กันในฌานจิตส่วนที่ว่าเมื่อไม่มีวิตกและวิจารจะคิดจะพิจารณาอะไรได้อย่างไรนั้นพึงเข้าใจว่าที่ไม่มีวิตกและวิจารก็เพราะจิตตั้งมั่นมีกำลังแน่วแน่เป็นอย่างมากแล้ว จึงไม่ต้องมีวิตกคือไม่ต้องคอยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ไม่ต้องมีวิจาร์คือไม่ต้องประคองจิตให้เคล้าอยู่กับอารมณ์ต่อไปอีกจึงยิ่งทำงานพิจารณาได้ดียิ่งขึ้นกว่ามีวิตกวิจาร์ในคำพีวิสุธทธิมักแสดงวิธีเจริญวิปัสสนาว่าบุคคลที่เป็นสมถยานิกออกจากฌานใดฌานหนึ่งในบรรดารูปฌานและอรูปฌานทั้งหลายเว้นแต่ในวสัญญาณนาสัญ ญ, ญาจตนะแล้ว พึงกำหนดพิจารณาองค์ฌานทั้งหลายมีวิตกเป็นต้นและทำทั้งหลายที่ประกอบร่วมกับองค์ฌานนั้นโดยลักษณะและรสเป็นอาทิคําอธิบายที่ว่าออกจากฌานแล้วพึงกําหนดนั้นมองแง่หนึ่งอาจถือว่าเป็นเพียงแสดงตัวอย่างวิธีปฏิบัติแบบหนึ่งเพราะในดีกาที่อธิบายความตอนนี้เองได้ไขความไว้ว่าคําว่าสมัตญาณิก เป็นชื่อของผู้ดำรงในฌานหรือในอุปจาระแห่งฌานบำเพ็ญอยู่ซึ่งวิปัสสนาอย่างไรก็ตามเรื่องที่ว่าการบำเพ็ญวิปัสสนาจะอยู่ในฌานหรือออกจากฌานก่อนแล้วจึงทำก็ได้หรือว่าอยู่ในฌานทำไม่ได้จะต้องออกจากฌานเสียก่อนจึงจะทำได้นี้ดูเหมือนว่าอัตถกถาดีกาทั้งหลายยังขัดแย้งกันอยู่บ้าง หลักฐานที่กล่าวถึงการบำเพ็ญวิปัสนาในฌานนอกจากในมโนรัฐาปุรณีและปรมาตมจุสาแล้วได้พบอีกเพียงแห่งเดียวคือสุมังคละวิลาสีซึ่งกล่าวถึงพระอรหันต์ปัญญาวิมุตต์ว่าพระปัญญาวิมุตต์มีห้าอย่างคือพระสุขวิปัสสกะหนึ่งและท่านผู้ดำรงอยู่ในฌานสี่ฌานใดฌานหนึ่งมีปฐมฌานเป็นต้นบรรลุอรตผลอีกสี่ หลักฐานนอกจากนี้ล้วนแสดงการปฏิบัติแบบออกจากฌานก่อนเป็นพื้นเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบัญญายวิธีบำเพ็ญวิปัสสนาโดยตรงจะมีข้อความทำหนองเดียวกันว่าเข้าฌานออกแล้วกำหนดองค์ฌานและธรรมที่ประกอบร่วมกับฌานนั้นหรือเข้าฌานออกจากสมาบัติแล้วพิจารณาสังขารทั้งหลายหรือออกจากสมาบัติแล้ว พิจารณาสมาปัฏิธรรมหรือออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานาธรรมเป็นต้นหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามติทั่วไปของอัตถกถาถือว่าถ้าเข้าฌานแล้วจะต้องออกจากฌานก่อนจึงจะบำเพ็ญวิปัสสนาได้ข้อที่ขัดแย้งกันเช่นนี้จะยุติอย่างไรไม่ปรากฏคำชี้แจงโดยตรงในอัตถกถาหรือดีกา และยากที่จะเข้นคำอธิบายออกมาได้แต่ก็พอหาข้อประนอมได้โดยเก็บเหตุผลจากที่ต่างๆมาเชื่อมต่อกันดังต่อไปนี้คำบรรยายวิธีบงเพ็ญวิปัสนาโดยออกจากฌานและพิจารณาสังขาร น, นั้นได้แบบจากคำพีชั้นรองในพระไตรปิฎกนั่นเองตัวอย่างที่เห็นชัดคือโปสาละปัญหาที่14กุตกรนิกายสุตตนิบาต มีข้อความสั้นๆตอนหนึ่งว่าบุคคลรู้จักกรรมที่ปรุงแต่งให้เกิดอากินจัญญายตนะว่ามีนันธิเป็นสังโยชนครันรู้จักอย่างนี้แล้วแต่นั้นย่อมเห็นแจ้งในอากินจัญญายตนะนั้นคือย่อมมำเป็นวิปัสนาในอากินจัญญายตนะนั้นข้อความตอนท้ายที่ว่าแต่นั้นย่อมเห็นแจ้งในอากินจัญญาญตนะนั้น คำภีจุลนิเทศซึ่งเป็นคำภีสั้นรองในพระไตรปิฎกอธิบายขยายความออกไปว่าหมายความว่าบุคคลนั้นเข้าอากินจัญญาจะตนะนแล้วออกจากอากินจัญญาจะตนะนันั้นแล้วเห็นแจ้งธรรมคือจิตและเจตสิกทั้งหลายซึ่งเกิดในอากินจัญญาจะตนะนันั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์ตอนที่เห็นแจ้งธรรมซึ่งเกิดในอกินจัญญาจตนะ โดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกนั้นตอนนั้นเท่ากับทำวิปัสนาคำอธิบายเรื่องนี้ในคัมภีร์ชั้นรองก็ดีในคัมภีรุ่นอัตตกถาดีกาก็ดีล้วนจัดได้ว่าเป็นแนวอภิธรรมทั้งสิน้นธรรมดาว่าคัมภีสายอภิธรรมนั้นย่อมพยายามวิเคราะห์ธรรมทั้งหลายออกไปอย่างละเอียดเมื่ออธิบายเรื่องจิตก็วิเคราะห์ออกไปเป็นขณะขณะ แสดงให้เห็นการทํางานของจิตโดยสัมพันธ์กับธรรมอย่างอื่นเช่นการเกี่ยวข้องกับอารมณ์เป็นต้นในกรณีที่จะอาศัยฌานเพื่อบําเพ็ญวิปัสสนานี้ขณะอยู่ในฌานสมาบัติแท้ยังทําวิปัสสนาไม่ได้เพราะอารมณ์ของฌานนั้นอย่างหนึ่งส่วนอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นอีกอย่างหนึ่งขณะอยู่ในฌานจิตแนบอยู่กับอารมณ์ของฌาน การพิจารณาสังขารด้วยจิตเดียวกับจิตที่เข้าสมาบัตเป็นสิ่งที่ไม่อาจทำได้ดังนั้นจึงต้องออกจากอารมณ์ของฌานเสียก่อนเพื่อจะได้เปลี่ยนอารมณ์ใหม่ซึ่งก็หมายความว่าต้องออกจากฌานนั่นเองการออกจากฌานนั้นก็ไม่มีอะไรมากเพียงให้กระแสจิตซึ่งแนบอยู่กับอารมณ์ของฌานนั้นขาดตอนลงเสียด้วยการตกผวังการที่จิตตกภวังนั่นเอง คือการออกจากฌานเมื่อออกจากฌานแล้วในกรณีนี้จิตก็ขึ้นสู่วิถีอีกในทันทีและด้วยอิทธิพลของฌานสืบเนื่องมาจิตก็แน่วแน่เป็นอปปนาสมาธิต่อไปอีกนี่ใช่หมายความว่าเมื่อออกจากฌานสมาบัติแล้วจิตจะกลับมาสู่สภาพวุ่นวายหรือวันไหวตามปกติอย่างที่อาจจะเข้าใจกันไปเมื่อออกจากฌานแล้วในกรณีนี้ จิตก็ขึ้นสู่วิธีอีกในทันทีและด้วยอิทธิพลของฌานสืบเนื่องมาจิตก็แน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิต่อไปอีกบุคคลผู้นั้นดำรงอยู่ในอัปปนาหรือใช้จิตที่เป็นอัปปนาสมาธินั่นเองเจริญวิปัสสนาโดยกำหนดพิจารณาองค์ฌานทั้งหลายในฌานหรือสมาบัติที่ตนเพิ่งออกมานั้นจนเห็นไตรลักษณ์หรือจะพูดในกว้างเพื่อคลุมถึงธรรมอย่างอื่นที่มีอยู่ในฌานทั้งหมด ก็ว่าพิจารณาฌานธรรมฌานสัมปยจุตธรรมสมาปฏิธรรมสมาปฏิสัมปยุตธรรมจิตและเจตสิกที่เกิดในฌานหรือพิจารณาสังขารทั้งหลายก็ได้ทั้งสิน้นโดยกำหนดพิจารณาองค์ฌานทั้งหลายในฌานหรือสมาบัติที่ตนเพิ่งออกมานั้นจนเห็นไตรลักษณ์เรียกว่ากำหนดองค์ฌานทั้งหลายเป็นต้นนั้นเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา สมาธิที่มั่นคงขึ้นด้วยการได้ฌานสมาบัติแล้วนี้จะช่วยให้การบําเพ็ญวิปัสสนาสะดวกคล่องสําเร็จผลง่ายมากขึ้นยิ่งได้อภิญญาด้วยแล้วก็ยิ่งดีข้อนี้นับว่าเป็นส่วนดีหรือเป็นคุณค่าพิเศษของการเจริญสมถะก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาภายหลังการเจริญวิปัสสนาด้วยการเข้าฌานสมาบัติก่อนเมื่อออกจากฌานสมาบัติแล้ว จึงใช้จิตที่เป็นสมาธิแข็งกล้าสืบทอดมาจากกําลังฌานนั้นกำหนดพิจารณาสังขารอย่างที่กล่าวมานี้อัตถกถาบัญญัติสั์ขึ้นมาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาที่มีฌานเป็นบาทหรือทําฌานให้เป็นบาทของวิปัสสนาหรือทําสมาบัติให้เป็นบาทของวิปัสสนาและฌานสมาบัตินั้นก็เรียกว่าฌานที่เป็นบาทของวิปัสสนาหรือ สมาบัติที่เป็นบาทของวิปัสสนาหรือฌานจิตที่เป็นบาทแห่งวิปัสสนาทั้งนี้เรียกตามขั้นของฌานสมาบัติที่เป็นบาทนั้นว่าทำปฐมฌานให้เป็นบาศทำทุติยฌานให้เป็นบาทเรื่อยไปจนถึงทำอากินจัญญาเจตนาฌานให้เป็นบาทเป็นต้นหรือว่าวิปัสสนามีปฐมฌานเป็นบาทวิปัสสนามีทุติยฌานเป็นบาทวิปัสสนามีอรูปฌานสมาบัติเป็นบาทเป็นต้น ยิ่งฌานที่เป็นบาทสูงเท่าใดสมาธิจิตที่ใช้ทำวิปัสสนาก็ยิ่งประนีตมั่นคงมากขึ้นอยู่ในระดับของฌานสมาบัติที่เป็นบาทนั้นปัญญาที่เป็นตัววิปัสสนาก็อาจถูกเรียกแยกเป็นขั้นๆตามฌานสมาบัติที่เป็นบาทเช่นเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาในระดับปฐมฌานหรือปฐมฌานวิปัสสนาปัญญาเป็นต้นแแมมัคคือการตรัสรู้ที่จะเกิดขึ้น ก็จะประกอบด้วยฌานสมาบัติระดับเดียวกับที่ใช้เป็นบาทนั้นเช่นกันทั้งนี้ยกเว้นเนวสัญญานาสัญญาญตนะและสัญญาเวทยิตานิโรธเท่าที่กล่าวมานี้พอให้เห็นได้ว่าคำพูดว่าบําเพ็ญวิปัสสนาในฌานก็ดีออกจากฌานแล้วบําเพ็ญวิปัสสนาก็ดีไม่ขัดแย้งกันอย่างแรกเป็นการพูดในยะกว้าง จะว่าเป็นการพูดแบบปริยายหรือสำนวนพศก็ได้ตามนยะนี้คำว่าฌานหมายถึงทั้งตัวฌานเองแท้ๆและภาวะจิตที่เรียบสม่ำเสมอมั่นคงด้วยกำลังของฌานนั้นที่ว่าบำเพ็ญวิปัสสนาในฌานก็คือเมื่อเข้าฌานแล้วก็ใช้ภาวะจิตที่ตั้งมั่นด้วยกำลังฌานบำเพ็ญวิปัสสนาต่อไปส่วนคาพูดอย่างหลังที่ว่าออกจากฌานแล้วบำเพ็ญวิปัสสนา เป็นการพูดในยะจำเพาะจะว่าเป็นการพูดโดยนิปรยายหรือสำนวนพระอภิธรรมก็ได้ตามในยะหลังนี้คำว่าฌานหมายถึงตัวฌานเองแท้ๆเท่านั้นคือหมายถึงการที่จิตกำหนดแน่วอยู่กับอารมณ์ของสมถะเช่นนิมิตของลมหายใจและกระสินเป็นต้นเพียงอย่างเดียวส่วนภาวะจิตจที่มั่นคงสม่ำเสมอด้วยกำลังฌานสำนวนอภิธรรมแยกออกมาเป็นอีกตอนหนึ่งต่างหาก เป็นตอนที่ออกจากฌานแล้วคือจิตปล่อยอารมณ์ของสมถะหลุดไปหรือขาดตอนไปแล้วแต่ด้วยกำลังฌานอะจิตจึงยังคงตั้งมั่นมีสมาธิเป็นอย่างดีถึงตอนนี้ผู้ปฏิบัติธรรมอาศัยภาวะจิตนี้แหละบำเพ็ญวิปัสสนาโดยกลับยกเอาฌานพร้อมทั้งธรรมต่างๆเช่นวิตตกวิจารปิติสุขฉันทะวิริยะเป็นต้นซึ่งมีอยู่ในฌานที่ตนเพิ่งออกมาแล้วนั่นเอง ขึ้นมาทำเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเสียเมื่อไม่ยอมเรียกภาวะจิตนี้ว่าอยู่ในฌานก็ต้องหาถ้อยคำมาเรียกให้เหมาะเพราะถึงแม้จะออกจากฌานแล้วแต่ภาวะจิตตอนนี้ก็ไม่ใช่กลับไปมีสภาพอย่างเดิมเหมือนเวลาก่อนเข้าฌานอัตถกถายุติปัญหานี้โดยคิดคำขึ้นใช้ใหม่เรียกว่าทำฌานให้เป็นบาท ส่วนการตัดแยกระหว่างตัวฌานแท้ๆกับภาวะจิตที่ตั้งมั่นอยู่ต่อมาด้วยกันหลังฌานอัตถกถาอาศัยหลักเรื่องภวังขจิตมากำหนดเป็นการออกจากฌานให้ขาดตอนจากกันตรงนี้มีข้อสังเกตว่าคำว่าภาวังหรือภวังขจิตมีในพระไตรปิฎกเฉพาะในคำภีปัตฐานแห่งพระอภิธรรมเท่านั้นครั้นถึงรุ่นอัตถกถาจึงใช้กันดืนขึ้น รวมความที่สันนิษฐานตามหลักฐานเหล่านี้ว่าสํานวนพูดโดยปริยายว่าอยู่ในฌานเจริญวิปัสสนามีความหมายครอบคลุมเท่ากับที่อัตถกฐานแยกพูดโดยนิปริยายว่าเข้าฌานออกจากฌานแล้วพิจารณาสังขารหรือที่พูดว่าออกจากฌานที่เป็นบาทแล้วพิจารณาสังขารหรือที่พูดว่าทาฌานให้เป็นบาทเจริญวิปัสสนา หรือที่พูดว่าได้ฌานแล้วเจริญวิปัสสนาที่มีฌานเป็นบาทหรือที่พูดว่าออกจากสมาบัติแล้วทำวิปัสสนาด้วยจิตที่ตั้งมัน่นสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าทั้งสำนวนพระสูตรและสำนวนอภิธรรมมีสาระสำคัญอย่างเดียวกันคือทำฌานให้เกิดขึ้นหรือเข้าฌานก็เพื่อใช้กำลังสมาธิของฌานนั้น เตรียมจิตให้อยู่ในสภาพซึ่งพร้อมดีที่สุดสําหรับใช้เป็นที่ทําการของปัญญาที่จะคิดพิจารณาให้เห็นความจริงต่อไปเมื่อเข้าฌานคือฌานเกิดขึ้นแล้วจิตพร้อมดีแล้วก็เดินหน้าต่อไปสู่ขั้นใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะของสิ่งทั้งหลายซึ่งเรียกว่าวิปัสสนาภาวะนี้เรียกง่ายๆก็ว่าเข้าฌานแล้วเจริญวิปัสสนา หรือคล้ายกับพูดว่าอยู่ในฌานเจริญวิปัสสนาแต่ถ้าจะพูดให้กระชับลงไปอีกก็ต้องว่าอาศัยฌานเจริญวิปัสสนาถึงตอนนี้ฝ่ายอภิธรรมก็มาช่วยอธิบายว่าฌานเป็นสมถะย่อมยึดหน่วงอารมณ์ของมันไว้อย่างหนึ่งอย่างเดียวโดยตลอดเมื่อหันไปใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆก็ย่อมต้องเปลี่ยนออกจากอารมณ์ที่กาหนดเดิม และเมื่อเปลี่ยนอารมณ์อย่างนั้นจิตก็ตกผวังนั่นคือออกจากฌานไปแล้วต่อจากนั้นการพิจารณาเป็นเรื่องของวิปัสสนานับเป็นคนละขั้นตอนแต่เพราะได้อาศัยฌานนั้นมีความสัมพันธ์กันอยู่อัตถกถาจึงให้เรียกว่าเอาฌานเป็นบาตหรือเป็นปัตถฐานของวิปัสสนาคําอธิบายอย่างนี้ก็รับกันดีกับข้อความที่มีบ่อยๆ ในพระสูตรทั้งหลายว่าเข้าฌานอยู่แล้วครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจึงน้อมจิตไปเพื่อวิชาต่างๆซึ่งหมายความว่าอาศัยฌานเป็นเครื่องทำจิตให้พร้อมก่อนแล้วจึงนำไปใช้งานท่านเรียกจิตเช่นนั้นว่าอภินีหารครมะจิตที่ควรแก่การนำไปใช้และจึงเป็นบาทหรือเป็นประทัดฐานเพื่อได้ผลสาเร็จที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปพระอัฏกถาจา์ นับแจงตามข้อความในพระสูตรให้เห็นว่าจิตเช่นนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติ8อย่างคือสมาฮิตะตั้งมั่นปริสุทธะบริสุทธิ์ปริโยธาตะผ่องใสอนังคณะโปร่งโล่งเกลี้ยงเกลาวิกตูปกิเลศปราศจากสิ่งมัวหมองมุทุภูตะนุ่มนวลกรรมนิยะ ควรแก่งานทิตะอาเนนชับปัตตกอยู่ตัวไม่วอกแวกหวั่นไหวอย่างไรก็ตามผู้ที่ได้ฌานแล้วแต่ไม่ใช่ฌานเป็นบาทรจะเจริญวิปัสสนาเพียงด้วยอุปจารสมาธิหรือขณิกสมาธิเท่านั้นก็ย่อมได้แต่จะมีสภาพเหมือนกับผู้ที่เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวโดยไม่ได้ฌานมาก่อนซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป